กลุ่มเนนกลุ่มชีตัวน้อยๆเนี่ยที่แรกทางโรงเรียนเขาติดต่อว่าจะให้หลวงพ่อสอนพร้อมกับพระทำไม่ไดนะ้เวลาพระเรียนกรรมฐานมีเขาเรียกอนุภสัมบันมีคนที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นชีเป็นเนนอะไรเงี้ยเรียนพร้อมๆกับพระไม่ได้นะโดย พระวิไยไม่ได้อนุญาตอย่างนั้นงนั้นพระจะพูดอะไรที่ลึกซึ้งพูดไม่ได้มีก็เรียกอนุปสัสมบันิคือคนที่ไม่ได้บวชอยู่ด้ว ย, ยงเวลาสอนนะจริงๆอยากสอนทุกคนแหละแต่ว่าเวลาไม่มีงั้น ท่านเนนจะถามอะไรหลวงพ่อนะก็าถามตอนนี้แหละถามตอนพร้อมยมพวกที่อยู่วัดพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมยังไว้ถามพวกนี้ตัดที่ด้ไปกลุ่มหนึ่งก่อนพวกเนนมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมอ้ามเนน ก็คือเวลานั่งสมาธิอะครับแล้วเวลาจิตเผลอออกไปมองอย่างอื่นนะครับก็พอรู้ว่าจิตออกไปมองอย่างอื่นก็กลับมาอยู่กับตัวเองครับก็อยากจะถามว่าต่อไปต้องทำอะไรต่อครับเวลาเรานั่งสมาธินะเราไม่ได้นั่งเพื่อให้ใจสงบนะเราแต่เรานั่งเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองงั้นอย่างเรานั่งสมาธิอยู่หายใจอยู่ยเงี้ยแลวใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่น เรารู้ทันว่าใจเราหนี้ไปอย่าไปดึงคืนนะถ้าเราออกแรงดึงจิตเราคืนมาจิตนี้ไปแล้วเราไปดึงมาเนี่ยมันจะแน่นเลยจะอึดอัดมันทำผิดล้ละถ้าทําแล้วอึดอัดให้ผิดแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งโล่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนก็แคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทึ้ เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นเช่นเราหายใจไปเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้เฉยๆนะแล้วเราก็กลับมาหายใจใหม่เราไม่ดึงจิตดวงที่หนีไปคิดคืนมาทิ้งมันไปเลยเกิดจิตดวงใหม่มารู้การหายใจต่อหายใจไปหายใจมาอยากจะรู้ลมหายใจให้ชัดๆจิตถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจ รู้ทันว่าจิตทลัมลงไปอยู่กับลมหายใจแล้วนะให้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีงั้นบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธินะถึงชื่อว่าจิตศิกขาเรียนรู้จิตตนเองแล้วสิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ดีอย่างเนี้ใจเนรไหลแว บ, บไปนะเห็นพระเดินมาใจเราวิ่งไปหาพระให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปอย่างเนี้ยนะฝึกบ่อยๆที่ถามเข้าท่า นึกว่าจะถามว่าถ้าคนแก่ๆหน่อยผู้ใหญ่หวยออกอะไรไม่ไหวอะนะเอามีใครจะถามอะไรต่อไหมว่ามาให้หลวงพ่อเห็นหน้าด้วยยืนหน่อ ย, ยืนให้หลงพ่อดูหน้า ก็คือตอนที่แบบตอนนั้นนั่งสมาธิดูลงหายใจตัวเองพอมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมันก็รู้สึกว่าไม่อยากทําไม่อยากนั่งสมาธิดูลงหายใจตัวเองแล้วครับแล้วควรต้องทําอย่างไรต่อครับค <c oughs> วรดูต่อไปอัน <c oughs> ที่แรกใจเรายัางอยากมันอยากนะมีความอยากเกิดขึ้นอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกาย อยากหาเรื่องสนุกทางใจใจมันอยากขึ้นมามันจะลากเราออกจากสมาธิเราต้องอดทนอย่าไปตามใจมันตามใจมันนะั้นเราจะแพ้กิเลสไปทั้งชาติเลยหลายหลายชาติด้วยเราเข้มแข็งไว้เราไม่ตามใจเราหายใจไ ป, ไปมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันขี้เกียจรูร้ว่าขี้เกียจให้เนนคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป ความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องละนะความเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทันนะความสงสัยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะจิตจะเป็นอย่างนี้ละเราควรจะทํำยังไงดีเนี่ยรู้ว่าสงสัยนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปลักสนุกนะเพราะจิตมันไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆพวกที่ทํากรรมฐานแล้วเบื่อเนี่ยเพราะว่าพยายามบังคับให้จิตสงบ แต่ถ้าเราไม่บังคับให้จิตสงบเราคอยดูจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนนะมีให้ดูทั้งวันสนุกเดี๋ยวก็แสดงละครบทรักให้เราดูเดี๋ยวก็บกโดโกรธเดี๋ยวก็บดโลภเดี๋ยวก็บดหลงนะเดี๋ยวก็บทผู้ดีหน่อยเนใจเราแสดงละครให้เราดูทั้งวันเลยเรานั่งหายใจไปแล้วเราก็รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปสมาธิมันก็เกิดหลวงพ่อฝึกนะ่าจะเจ็ดขวบนะ เน่ยเกินเจ็ดกี่ลวมั้งเกินแล้วใช่ไหมนุภาพฝึกสมาธิน่าจะเจ็ดขวบฝึกอานามพนสตินะหายใจหายใจลึกๆทีแรกมัหายใจลึกๆนะหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทแล้วนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับอย่างนี้ด้วยพอจิตเริ่มสงบการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโท อจิตสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปใครเป็นแสงสว่างสว่างอยู่ที่จมูกเนี่ยปลายจมูกเนี้ยสว่างแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ภาวนาผิดหลวงพ่อไปดูที่แสงสว่างแล้วจิตมันก็เคลื่อนตามแสงออกไปไปดูโน้นดูนี้ดูอะไรอยู่ข้างนอกนีะเที่ยวเที่ยวเล่นไปข้างนอกฝึกอย่างนั้นอยู่พักใหญ่นะก็รู้สึกว่าไม่ดีอ่ะ ถ้าเรานะออกไปแล้วไปเจอผีเราจะแย่เลยเพราะเรากลัวผีเฉะนั้นหลวงพ่อเวลาใจอยู่กับความสว่างแล้วเนี่ยพระใจจะเคลื่อนเนี่ยรู้ทันว่าใจจะเคลื่อนใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาพรใจสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยร่างกายหายไปเหลือแต่ใจดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะกายกับใจของหลวงพ่อเนี่ยแยกขาดออกจากกันตั้งแต่นั้นมาเลยไม่เคยรวมกันอีกเลย งั้นเราค่อยๆฝึกไปพอเราแยกกายแยกใจได้แล้วเราจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกไปงั้นหัดทีแรกมันขี้เกียจมันเบื่อเป็นทุกคนแหละนะแต่หลวงพ่อไม่ขี้เกียจไม่เบื่อเพราะรู้สึกสนุกในการปฏิบัติถ้าเมื่อไร่เรารู้สึกสนุกนะเราจะขยันปฏิบัติเรียกว่าเรามีฉันทะมันก็เกิดมีระยะฉนะันทะเนี่ยเราพอใจมีความสุขมีความสนุกสนานเพลิดเพลินพอใจในการปฏิบัติ มันจะเกิดความขยันปฏิบัติขึ้นมาแล้วจิตใจเราก็คอยจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนี่เรียกว่าจิตตันะ้จิตใจก็เคล้าเคลียรเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเป็นมิจฉ า, าเคาเคลียอยู่กับกรรมาฐานเฉะั้นมันอยู่ที่ว่าเราอย่ายอมให้ความเบื่อความขี้เกียจอะไรนะี่มันครอบงาใจนะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปเลย เบื่อแล้วทำยังไงเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อแล้วภาวนาต่อไปไม่เลิกต้องไม่เลิกถ้าเลิกแล้วจะอ่อนแอกลายเป็นคนขี้แพ้นะทำกรรมฐานไม่สำเร็จเราแพ้ตลอดชาติชาติหน้าก็แพ้อีกมีอีกไหม เ, เห็นไหมถูกญาติโยมโหแล้วจ่ามานั่งถามมากไหนดูหน้าหน่อยเออว่ามา ก็คือเวลานั่งสมาธิเนี่ยสมมติเวลานั่งสมาธิผมก็จะบริกรรมฟุตโทเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแหละครับ mm hmm. แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสมมตินั่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณห้าถสบห้าี่นาทีแรกเนี่ยก็จิตมันก็จะนิ่งสงบเวลาจิตหลงไปคิดก็รู้แต่ว่าในช่วงสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่ก็ชาขา mm hmm. มากแล้ว ผมอยากนั่งสมาธิให้ต่อได้นานๆผมควรจะทำยังไงต่อดีนั่งสมาธินะสมาธิไม่ได้อยู่ที่การนั่งหรอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องมีสมาธิมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปแต่ถ้าเราตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงเราจะต้องนั่งให้ได้ปวดเมื่อยแค่ไหนก็ทนเอาใช้วิธีสังเกตเอานะว่าร่างกายมันนั่งอยู่ก่อน ความปวดเมื่อยมันมาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันถัดดูอย่างนี้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรับรู้ร่างกายเป็นคนรับรู้ความปวดเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันเพระฉั้นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งความกระบนกระวายใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อย เวลาใจกระวนกระวายกับความปวดเมื่อยมันก็คนละอันกันเพราะนั้นความกระวนกระวายของใจก็เป็นอีกสิ่งห น, นึ่งเนี่ยเราแยกไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายเราจะเห็นนะร่างกายนี้ก็ส่วนหนึง่งความปวดเมื่อยก็ส่วนหนึง่งความกระสับกระส่ายของจิตก็ส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึง่งหัดแยกไปนะเพราะั้นอย่าอย่าเลิกนะนั่งแล้วปวดเมื่อยเราตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งให้ได้ ตั้งใจจะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ต้องนั่งให้ได้ถ้าเราตั้งใจแล้วเราท้อแท้พลังจิตของเราจะตกเราไม่มีเรื่องอธิษฐานนำบารมีขาดบารมีแต่ถ้าเราอดทนทำได้อย่างที่เราตั้งใจนะจิตเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีบารมีเพราะน้นท่านเณรตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงต้องนั่งให้ได้ปวดเมื่อยแค่ไหนก็ไม่ถอยนะ เวลามันปวดเมื่อยนั่งแยกมันไปเลยกลายส่วนกายปวดเมื่อยส่วนปวดเมื่อยความกระสับกระสายของจิตเ้าส่วนความกระสับกระสายจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูเฉยๆหัดแยกไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ทรมานเท่าไหร่หรอกอย่างมากก็เป็นเน็บเท่านั้นนะเมื่อเป็นเน็บเนี่ยนั่งนานๆหายนะไม่ใช่ไม่หายเพราะความเป็นเน็บก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหลวงพ่อเคยลองนะนั่งไปเรื่อยๆปวดแทบแยกนะดูไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็หายบางทีหายหนักกว่า น, นั้นนะร่างกายหายไปเลยนะไม่ปวดไม่เมื่อยแนละ้วออกจากสมาธิมาไม่มีปวดมีเมื่อยนะมีแต่สบายเน้นที่เหลือจะถามหรือเปล่าเมื่อกี้ถูกญาติโยมโหแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวขายกก่อนให้เขก่อนก็คือเวลานั่งสมาธิครับเห็น กายเคลื่อนไหวครับแต่ว่าผมอยากจะถามว่าพอดูไปมากๆเนี่ยมันเป็นการเพ่งหรือเปล่าครับถ้าเมื่อไรเพ่งนะใจเราจะแน่นๆ่นใจจะนิ่งนิ่งแน่นแ่นอืดอนะถ้าใจเราสบายโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเวลาดูลมหายใจนะปรับปรับการดูสนิดหนึ่งอย่าดูลมแต่ดูร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจ อย่าดูที่ลมหายใจนะถ้าดูที episodes, ่ลมหายใจจะเป็นการเพ่งลมเนี่ยจะกลายเป็นกสินไปกสินลมงั้นเรารู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าใจเราเป็นคนรู้สึกต้องมีใจเป็นคนรู้สึกอยู่ต่างหากนะเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วมันจะก้าวหน้าถ้าไปดูแต่ลมมันจะไปเดินในเส้นทางที่หลวงพ่อเคยเล่าเมื่อกี้เนี่ย ตอลงพ่อเด็กๆนะนั่นนั้นไปดูลมปรลมระนับร่างกายเป็นแสงจากแสงเนี่ยเขาเนี่ยจิตออกเที่ยวข้างนอกนะ้วพุ่งซ่านไม่ดีเพราะเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมีความเจ็บปวดร่างกายหนาวร่างกายร้อนร่างกายไม่สบายอะไรเนะี่ยใจเป็นคนดูใจจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เพราะฉะนั้นเวลาหายใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูนะไปฝึกเข้าแล้วจะได้ดีเอาต่อไปก็คือว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะลอยออกไปอยู่กับสิ่งอื่นๆไม่ได้มาอยู่กับการที่แบบนั่งสมาธิมันลอยอให้รู้ว่าลอยนะแล้วอย่าตามมันไปกลับมาอยู่ที่กายต่อ มาดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าดูลมนะดูร่างกายหายใจเมือ่อขนาเนี้ยดูร่างกายนั่งรู้สึกเหมือนทั้งตัวเลยตัวนี้กําลังนั่งมันจะต่อเข้าการเดินปัญญาได้ถ้าไปดูลมเนี่ยต่อเข้าปัญญายากยกเว้นจะเข้าชาญไปเดินปัญญาในฌานอะไรองั้นเล่นยากต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เน้นที่ใส่แว่นนะ่ะที่กําลังทรงกันบ้านนะ่ะไปสังเกตให้ดี พื้นฐานจิตใจของเรามันฟุ้งเก่งนะมันฟุ้งซ่านเก่งเพราะงั้นเราพยายามหายใจไปพุโทโธไปเรื่อยๆนะมีพุโทโธด้วยจะช่วยให้การหายใจของเราเข้มแข็งขึ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะทำไปเรื่อยๆใจมันหลงไปแล้วก็ทิ้งไปมันหลงอะไรก็ไม่สนใจมันกลับมาอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่ฝึกไปเรื่อยๆสมาธิมันจะดีขึ้น เยนหนังสือได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะเน้นจะฟุ้งเก่งอยู่เอาคนต่อไปเมื่อกี้เห็นความหงุดหงิดไหมตอนยกหลายทีแล้วหลวพอไม่เรียกสัทีใจมันหงุดหงิดนะเอาว่าไปคือเวลาผมนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ครับแล้วจิตใจของผมเนี่ยก็จะหันไปสนใจอย่างอื่นและเกิดความรู้สึกหลายอย่าง ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจิตนั้นคืออะไรครับอะไรนะสงสัยอะไรนะสงสัยว่าจิตคืออะไรครับเวลานั่งสมาธิค่ะอย่าไปคิดมากเลยนะจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้เป็นคนรู้รู้สึกไหมในนี้มีตัวหนึ่งเป็นคนรู้น่นรู้นี่ไอตัวที่รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตนะเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปหาจิตนะจิตเนี่ยเป็นของที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เราแค่คอยรู้ทันไปเช่นเรานั่งไปนั่งไปเราสงสัยว่าจิตเป็นยังไงนะรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็เป็นของถูกรู้เมื่อมันก็ดับไปถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ความสุขทุกเป็นของถูกรู้ความดีความชั่วเป็นของถูกรู้เราจะพบว่ามันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละคือตัวจิตเราไม่ต้องหามันนะเราแค่คอยดูร่างกายถูกรู้ ความสุขทุกข์ถูกรู้ดีชั่วถูกรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเจอจิตเองพื้นจิตของเนนนะมันจะงุดหงิดเก่งนะมันจะงุดหงิดเก่งงั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยเวลามันงุดหงิดอะไรขึ้นมาไม่ว่ามันให้รู้ทันว่าใจมันงุดหงิดขึ้นมาแล้นะคอยรู้ทันใจของตัวเองเอาต่อไป เห็นไหมตอนที่เรารับไม่ตอนที่เราส่งไม่เราลืมกายเราลืมใจอย่างนี้เรียกว่าเราขาดสติละเราส่งไม่นะใจเราก็ไปด้วยเลยให้เราคอยรู้ทันรู้สึกตัวอย่าลืมตัวเองว่ามาก็คือตอนผมนั่งสมาธิครับแล้วผมอยู่กับลมหายใจพอผมรู้ว่าผมลงไปคิดแล้วผมกลับมาแล้วครับ ความรู้สึกแบบไหนคือการตั้งมั่นนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเมื่อไรที่รู้ว่าหลงนะเมื่อนั้นตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วในขณะที่รู้ว่าหลงไปขณะนั้นตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมาสร้างสภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่าตรงนี้แหละคือการปฏิบั ต, รตริตัวนี้คือความตั้งมั่นจริงๆไม่ใช่เป็นการหลงครั้งที่สองละ เมื่องเรานั่งสมาธิอยู่พอใจเราลงไปรู้ทันว่าใจเราหลงไปในขณะที่รู้ว่าหลงนะสมาธิเกิดแล้วใจจะตั้งมั่นแต่มันตั้งเป็นขณะขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคือสมาธิช่วขณะแล้วมันเกิดสมาธิถี่ๆขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวทั้งวันเลยรู้สึกตัวได้ทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเจตนารักษาความรู้สึกตัวนะ จิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้จิตไปคิดแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยนฝะึกบ่อยๆนะเน้นทํากรรมฐานนะทั้งกลุ่มเลยนะทำมานาปนสติไปอย่างที่เคยฝึกนั่นแหลนะแต่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปเพ่งใส่ตัวลมนะเราเห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจสบายๆแล้วพอใจเราหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะรู้เฉยๆไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามว่าห้ามคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องห้าม ใจนี้ไปคิดเรารู้ใจหนี้ไปคิดเรารู้แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วตัวผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นตัวผู้รู้ก็คือจิตที่มีสมาธินั่นเองไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรหรอกส่วนใหญ่ของพวกเรามันไม่มีตัวผู้รู้มันมีแต่ตัวผู้หลงมันหลงไปคิดทั้งวันเฉะนั้นต่อไปนี้ทํากรรมฐานไว้ซะอย่างหนึ่งนะเช่นเราหายใจไปพุโทโธไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตนีไปคิดเรารู้จิตนีไปคิดเรารู้ หรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนเมื่อนั้นสมาธิจะเกิดเอาคนต่อไปยืนให้หลวงพ่อ ด, ดูหน่อยเอานั่งได้เวลาที่ดูลมหายใจแล้วดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะ บังคับว่าต้องหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ต้องทํำยังไงเหรอคะเราดูร่างกายหายใจนะอย่ไปดูที่ตัวลมถ้าดูลมแล้วจะไปบังคับตัวเองง่ายนะเห็นร่างกายหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจมันไม่เหมือนกันดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจเราจะไม่ค่อยบังคับหรอกอย่างขณะเนี้ยดูออกไหมร่างกายนั่งอยู่นะ ร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเนี่ยเรียกว่าเรารู้อิรยาบทสีร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรียกว่าเรารู้อนาปานสตินะงั้นจุดสำคัญเลยก็คือรู้สึกไปรู้สึกทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็หายใจไปก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไปรู้สึกสบายๆเห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอน เห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเราเป็นแค่คนดูสบายสบายไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ไม่คงที่เลยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย การที่เราคอยเห็นความจริงนะร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกว่าการทํำมิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะในการปฏิบัตินะเอาคนต่อไปก็ถามว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราอ่ะเราฟุ้งซ่าเราไหลเราไหลจิตเราไหลไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราลึกขึ้นได้ว่าเออเรานั่งสมาธิอยู่ พอเราก็มากาหนดรู้กับลมหายใจเรียกให้จิตมนกลับมาแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยคิวมันมันถูกไหมคะไม่ถูกจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปเกิดในความคิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวเพราะฉนั้นถ้าเราพบว่าจิตมันหนีไปสมมติมันหนีไปคิดเนี้ย เราไม่ต้องไปเอาจิตดวงที่หนีไปคิดคืนมาโยนมันทิ้งไปเลยเรากลับมาทํากรรมฐานของเราใหม่เราอย่าดึงคืนนะถ้าดึงคืนนี้จิตจะแน่นอึดอัดเราเริ่มต้นใหม่เลย น, นั้นทิ้งมันไปเรานับหนึ่งใหม่เลยกลับมาทําหายใจใหม่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปเรื่อยเรเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปหายใจไปหป น, นีไปคิดอีกแล้ว หนีพคิดก็รู้ว่าโอ้จิตรู้หายไปแล้วเกิดจิตคิดขึ้นแทนพอเรารู้ว่าจิตรู้ดับจิตคิดเกิดนะมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อะไหร่ที่รู้ทันจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนะเพราะงั้นเราไม่ดึงคืนนะเราทิ้งมันไปเลยแล้ว ร, รู้ตัวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ใจจะสบายกว่าถ้าไปดึงคืนใจจะแน่นอึดอัด ก็คือเวลาที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอะครับคือผมคือผมคิดถึงพ่อแม่แล้วผมควรจะทํายังไงให้ไม่คิดถึงอะคะเราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อห้ามความคิดนะนั้นเราหายใจอยู่พุทโธอยู่หายใจอยู่อย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดถึงพ่อแม่รู้ว่าจิตคิดถึงพ่อแม่รู้ว่าจิตไปคิดนะ รู้ทันเฉยๆคิดถึงพ่อแม่ไม่เสียหายอะไรใจไปคิดถึงพ่อถึงแม่รู้ว่าใจคิดถึงพ่อถึงแม่พอรู้ทันสมาธิก็จะกลับมาจิตจะเกิดสมาธิขึ้นอีกหลงสายอาจารย์สอนเด็กเล่นอานาปนาสติของถามแต่เรื่องสมาธิหลวงพ่อชอบนะแลหลวงพ่อเล่นอานาปนาสติตั้งแต่เจ็ดขวบไนงะ ทำสมาธิอยู่ยี่สบปีแล้วถึงจะเดินปัญญาเป็นนะตอนนั่งสมาธิก็ได้แต่ของเล่นบางทีก็จิตออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรยเงี้ยเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นอนะไรยเงี้ยบทีกูวิ่งไปโน้นไปนี่อันนั้นไม่ดีเลยมีการฝึกที่ผิดไม่มีสติอยู่กับกายกับใจีนะใพวกเราฝึกอนานปปานสติก็ดีแล้วนะ พยายามทำให้ได้ทุกวั น, นหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจชะเป็นคนดูไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ให้ได้ทุกวันนะแล้วเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้เยอะขึ้นศา ส, สนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงก่มสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธนะั่นคือตัวปัญญาตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเอง ถ้ามีใครเขาถามเราว่าอะไรคือศาสนาพุทธเราก็ตอบไปเลยเสียงดังๆว่าสัมมาทิธินะคือตัวศาสนาที่แท้จริงเพราั้นสมาธิสติอะไรพวกนี้เป็นตัวประกอบเพื่อให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเองเมื่อไร่เราเห็นร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ถูกมีปัญญาเข้าใจกายแล้ว เราจะพราะว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ควบคุมบังคับไว้อย่างใจนึกไม่ได้อย่างเราไม่อยากแก่เราก็แก่เราไม่อยากโตเราก็โตนะไม่อยากตายเราก็ตายไม่อยากป่วยเราก็ป่ว ย, ยเราบังคับไม่ได้จริงพอใจเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะไม่ทุกข์ หรือเราหันดูความจริงในจิตใจเราจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปวความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปบุญบาปทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นพอเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราจะไม่อยากได้ความสุขไม่อยากได้ความสุขความสงบความดีเพราะรู้ว่าสุขสงบหรือดีก็ไม่เที่ยง แล้วเราก็ไม่ยิ่งไม่มีทางที่จะไปชอบความทุกข์ความฟุ้งซ่านได ย, ยิ่งไม่ชอบหนักเข้าไปใหญ่เพราะใจเราเป็นกลางนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยที่มันจะทำให้เราสุขให้เราทุกข์อะไรเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวเลยนะใจจะค่อยๆพ้นจากโลกพ้นจากทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเห็นกายตามความเป็นจริงการเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเนี่ยจะทาให้เราคลายออกจากความยึดถือในโลก ในที่สุดนั้นเมื่อภาวนาถึงขีดสุดแล้วใจจะหลุดพ้นออกจากโลกเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ใจดวงนี้มีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่มหาศาลและเป็นความสุขที่สะอาดหมดจดไม่ใช่ความสุขอย่างของโลกโลกความสุขของโลกโลกเป็นความสุขที่เจือกิเลสนะมันไม่ใช่ความสุขจริงกระทั่งนั่งสมาธิจิตเข้าฌานไปมีความสุขนะเมื่อยังมีราคะแทรกเลยมีความพอใจในความสงบแทรกเลย จิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดพอยิ่งใจเราสะอาดเท่าไรเรายิ่งเข้าใกล้พระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นเข้าใกล้บร ม, มสุขมากขึ้นมากขึ้นนิพพานเป็นบร ม, มสุขนะงั้นเราพยายามฝึกตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปจเจริญปัญญาไปเมื่อใดปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจจิตเจอบริสุทธิ์หลุดพน้นนะจะไม่ทุกข์อีกต่อไป พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีกจิตจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเลยภาระทางใจจะไม่มีเพร ะ, ะั้นเป็นคนที่หมดภาระทางใจเรียกว่าเสร็จงานเสร็จกิจแล้ว พยายามฝึกนะเนีนทั้งหลายหลวงพ่อก็เรียนตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้แหละทีแรกก็ยังทําถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ก็ผิดไปทําสมาธิให้สงบเฉยๆไปมุ่งที่สงบมุ่งที่ความสุขนะกว่าจะเข้าใจก็าอายุยี่สิบเก้าแล้วมาเจอหลวงปู่ดูลนท่านสอนให้ดูจิตใจมันทํางานพอมาดูจิตใจแล้วมันทํางานนี่ยสมาธิที่เราสะสมมายี่สิบสอปีนะกำลังมันมากนะ พอมาดูจิตดูใจในี่ดูฉลุยเลยดูได้สบายเลยจิตไหวตัวปุ๊บเห็นไหวตัวปุ๊บเห็นเลยะลยเห็นเลยจิตเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เ ด, เ, ดเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดมกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะมีรู้สลับไปเร <M> ื<ล>่อยของเราเหรอเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปดู เดี uhm ๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปฟังเดี๋ยวก็มีจิตผู้หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็มีจิตผู้หลงไปคิดมันมีแต่จิตผู้หลงอ่ะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันต้องมีจิตผู้รู้สลับไปเรื่อยๆจิตหลงไปดูเรารู้เกิดรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้หลงไปดูจิตหลงไปฟังเรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปฟังจิตหลงไปคิดเรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วก็จะเริ่มเห็นนะว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตดูก็ไม่เที่ยงจิตฟังก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยง มันต้องมีจิตรู้มาขั้นมันถึงจะดูออกว่าจิตชนิดต่างๆเกิดระดับทั้งสิน้นจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงเพราะฉั้นเราต้องมีจิตรู้เกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยนะะเกิดทีทีไม่ใช่เกิดตลอดเวลานะถ้าเกิดตลอดเวลาคือจิตเพ่งเพ่งไวเ้เฉยๆอย่งนี้รู้ได้ทั้งวันเลยจะทําอะไรเนี่ยรู้หมดเลยแต่ใจทื่อๆนะใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญา พวกเนนพวกแม่ชีพออย่างอ่ะอคำถามพวกเราเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนแหละเรื่องนั่งอานาปนาสติแล้วจิตหนีไปจะทำยังไงหไหมถามเหมือนกันหมดทุกคนแหละ น, นที่หลวงพ่อตอบเพื่อนเพื่อนเรามันก็ตอบเราไปเรียบร้อยแล้วไปหเาเต้าเหนื่อย <c oughs> หลวงพ่อเนี่ยนะเป็นคนแพ้เด็ก <c oughs> สอนเด็กเนี่ยสอนไม่ถนัด อาจารย์ที่สอนเด็กได้นะึกเก่งเห็นใครสอนเด็กได้นะรู้สึกเก่งๆเราสอนได้แต่คนโตๆแล้วแก่มากๆก็สอนไม่เป็นนะแก่มากๆสอนยากต้องแก่ขนาดพวกเราเนี่ยเรียกแก่พอดีเพราแก่พอดีนี่เรียนง่ายมีวุฒิภาวะพอสมควรนะรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วบางคนก็นสงสัยมาแต่เด็กๆนะว่าเราเกิดมาทําไม ถ้าพวกนี้นะพวกมีพื้นเดิมอยู่ใจมันจะเริ่มแสวงหาปัญญาแล้วมันอยากรู้เกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่อกินข้าวเพื่อนอนเพื่อเล่นเพื่อเรียนหนังสือเพื่อทำงานเพื่อแต่งงานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อตายดูชีวิตไร้สาระที่สุดเลยที่จริงเราเกิดมาเพื่อยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คืองานของเรานะ ตัวเองไปเรื่อยทำอย่างที่หลวงพ่อบอกอันแรกถือศีลห้าห้าข้อพอแล้วนะถือศีลห้าไว้อันที่สองแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติทุกวันต้องทำในรูปแบบทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองตัวนี้เรียกว่าจิตศิกขาสิ่งที่ได้คือสมาธิถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ จิตเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปก็เกิดสุขหูได้ยินเสียงเกิดทุกข์อะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายเราจะรู้เลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้าเราเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่มีตัวตนถามนมรรไม่มีอะไรที่เป็นอมนตะเลย จะได้เป็นพระโสดาบันค่อยๆฝึกไปนี่ตวยกานบ้านให้ทั้งห้องทีเดียวเลยนะส่วนไอ้เรื่องที่จะถามเนี่ยมีเรื่องต่อไปนี้เท่านั้นเองไม่ต้องถามแล้วเสียเวลาบอกเลยนะพวกหนึ่งก็คือจิตหลงไปหลงไปเรื่อยๆแล้วจะทำยังไงดีหลงแล้วรู้เอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้สุดท้ายพอหลงปุ๊บรู้ปับ๊บหลงปุ๊บรู้ปับ๊บรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นั่นใช้ได้แล้ว ไม่ใช่ไม่หลงนะเราไม่ใช่พระอรหันต์เ่ยจิตต้องหลงบ้างแหละแต่หลงเรารู้หลงเรารู้คนที่ไม่เคยฝึกนะจิตเขาหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหนึ่งครั้งนะนักปฏิบัติเนี่ยหลงเรารู้หลงเรารู้วันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีอยัดหลงนานนะหลงนานใช้ไม่ได้หลงบ่อยดีไหลปุ๊บรู้สึกปุ๊บรู้สึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วรอต่อไป ศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยเราได้อะไรจิตไหลไปแล้วเรารู้สึกเนี่ยอกุศลจะเกิดไม่ได้เพราะในขณะนั้นสติเกิดแล้วอกุศลจะไม่เกิดในขณะนั้นถ้าเราไม่มีอกุศลเนี่ยเราจะไม่ผิดศีลหรอกผิดศีลไม่ได้เพราะจิตไม่มีอกุศลจิตไหลแล้วรู้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิจะเกิดคือจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่น อนะย่างจิตไหลแล้ว ร, รู้แล้วศีลเ ane, ราเกิดเนี่ยศีลเกิดโดยที่เราไม่ได้ต้องจงใจรักษาเลยนะมันมีอัตโนมัติขึ้นมาเป็นศีลอัตโนมัตินะแล้วจิตไหลแล้ว ร, รู้สมาธิอัตโนมัติก็เกิดคือสมาธิคือสภาวะที่จิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตไหลแล้ว ร, รู้ไหลแล้วรู้ต่อไปปัญญาจนะเกิดแล้วมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไหลไปก็ไม่ใช่เรา เป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเท่านั้นเองเนี่ยภาวนาแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วรู้ไหลรรแล้วรู้เราจะรู้ได้ดีถ้าเราทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะถนัดพุดโทโธเอาพุโทโธถนัดรู้ลมหายใจนะก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคน ร, รู้สึกไปแล้วพอจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันหรือจิตถลำไ้อยู่กับลมเรารู้ทัน คอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนนะ่ะแล้วจิตมันจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติจิต ท, ที่ไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัตินั่นแหละคือจิต ท, ที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะง่ายๆแค่นี้เองเพราะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้จิตเคลื่อนไปไหนเลยนะต้องระวังนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยหลวงพ่อก็ทาได้ เห็นยากเลยตายไปก็ไปเกิดเป็นโรมสังเกตไหมโรมนั่งนิ่งๆจัหมือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาคนก็เอามะพร้าวอ่อนเอาไข่มาให้กินนะคลาสสิลต้องเยอะกินแต่กินแต่ของพวกนี้นะเราไม่เอาอะไรอะพวกที่ อาหารสุขภาพไปถวายเลยเนาะอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยฉันแต่ไข่ต้มนะคนละล้อยฟองพันฟองท่านคงเบื่อสรุปนะไปทำกรรมฐานสัอย่างหนึง่งจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่ห้ามเคลื่อนนะไปฝึกบ่อยๆแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลย อย่างพวกเนรเนี่ยเคยเล่นานานาปณสติหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เวลาธรรมานาปณสติมันจะเคลื่อนสองแบบส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปจ้องลมหายใจถ้าหลับไปอยู่ที่ลมเคลื่อนอยู่สองอันนะแต่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเคลื่อนหกทางเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเราทำในรูปแบบจะเคลื่อนสองอันที่กายกับใจเะเหลือสองอัน ้ก่อนที่จะมาสู้ศึกจริงในชีวิตหกช่องทางเนี่ยศัตรูมาได้หทิศทางฝึกซ้อมสู้ศัตรูสองทางก่อนที่ทางกายกับใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกไวการฝึกให้ชํานาญแล้วพอเก่งแล้วลองมาทดสอบอยู่ในชีวิตจริงหกช่องทางเนี่ยสติจะแตกไม่แตกนะถ้าอยู่ในหกช่องทางแล้วสติไม่แตกนะมีสติมีปัญญามีสมาธิอยู่ได้เก หลวงปู่มันท่านถึงสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนินฉาสงอกเฉยเงี้ยเสียเวลาคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านนั่งสมาธิแล้วก็คิดใหญ่ธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างงีนะ้ฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญท่านบอกหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวัน หัวใจอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ทำได้นะการทำในรูปแบบไม่ใช่เรื่องยายอีกต่อไปละหกช่องยังสู้ได้เลยสองช่องทำไมจะสู้ไม่ได้นี่ก่อนจะสู้หกช่องได้คอยรู้ทันจิตของเราไ้จิตไหลไปอยู่กับกายเช่นไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไหลไปทางใจไหลไปคิดเนี้ยก็รู้ฝึกสองช่องฝนะึกบ่อยๆทุกวันต้องทานะไม่งั้นเสียเวลาไม่ได้กินหอก พอสมควรแล้วต่อไปเชิญเนนมาถ่ายรูปกับแม่ชีมาก็มีคอสแล้วยังให้ถ่ายรูปด้วยคอถ่ายรูปพวกเราโตแล้วเชิญออกไปนี่เนนเห็นไหมเราหลงแล้ว <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> อ้าวโยมออกไปก่อนไป